ตลอดถึงการอยู่การฉันการไปการม า, กา ร, มาการใช้ของวงการต่างๆเหล่านีตา้ต้องได้พิจารณากันต้องได้ตั้งกฎเกณฑ์กันขึ้นเพื่อความเหมาะสมในวัดนั้นๆวัดของเราก็เป็นลักษณะนั้นเหมือนกันเะฉะนั้นจึงมีการประชุมหารือกันผู้ที่เข้ามาใหม่พระพระที่เข้ามาใหม่ก็มี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 วิเทห์หอยู่คนละเมืองกันแต่เป็นเมืองที่เป็นพ่อมเขยกันถาทางนี้เป็นผู้หญิงก็ทางนู้นก็เป็นผู้ชายก็มาแต่งงานถ้าพุ่นเป็นผู้ชายไม่ไ้เป็นผู้หญิงก็แต่งงานแต่งงานกันในยุคสมัยนั้นเขาไม่ได้ถือเหมือนยุคสมัยนี้แต่งงานในเครือญาติเขาว่ามันจะเป็นลักษณะคนโง่แต่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 ก็เป็นปฏิบัติต่อกันคือพระเทวทัตเวลาพูดอะไรขึ้นมาก่อนพระเทพทัตไม่ควรทําอย่างนั้นไม่ควรทําอย่างนี้ทําให้พ่อของเทวทัตคือพระเจ้าสุตสุภพุท ธ, ธามีความขุนเคืองในใจอยู่ตลอดวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดพระวงคสาคนายาติพระพุทธองค์จะไปฉันจังหันตอนเช้าจะไปฉันอีกที่แห่งหนึ่ง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 ตรัสให้พระอนุน์เพราะพระอนุนถามพระพุทธองค์แย้มพระโอษฐ์ด้วยเหตุอันใดหนอพระเจ้าข่าพระพุทธองค์ก็ว่าตรัสว่าเออกรรมของสรรพสัตว์เป็นกรรมหนักของสุภาพพุท ธ, ธเพราะเบียดเบียนพุท ธ, ธนี่แหละจี่ว่าใครทํากรรมสิ่งไหนไว้กับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกมีกรรมมากแต่ใครผู้ทําบุญด้วยก็เป็นบุญกุศลมหาศาลเพราะท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรท่านเป็นผู้บริสุทธิ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 ไปลี้ไปหลบลี้อยู่ซอกเขาที่ไหนก็ตามสุ ป, ปพุทธะเขาจะต้องมาแผ่นดินสุบตรงนั้นเพราะพระพุทธเจ้าพูดแล้วหนึ่งไม่มีสองพระพุทธอพยากรณ์อย่างนั้นอีกตอนนี้ก็พอจวนเข้ามาพอถึงเจวันเขาก็รักษาอย่างเข้มงวดขวดขันพอถึงวันที่เจม้าที่สุ ป, ปพุทธะใช้เป็นเป็นม้านัครบมันคึกขึ้นมาเลย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 ่นายทวันประตูที่รักษาวันที่ว่าจะรักษาให้ผักอกเอาไว้ผักคอผักหลังถล่มลงไปพอชั้นหนึ่งผ่านพันที่สองเปิดประตูอีกคนพันสองผักลงไปอีกไปถึงชั้นสามตอวิ่งไปตามบันไดภาคกีจนถึงชั้นที่สุดท้ายฐานบันไดอัศจรรย์ที่ฐานบันไดชั้นต่ําสุดแผ่นดินก็แยกพอแยกเสร็จแล้วก็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 ในการกระทำนั้ น, น, นการกระทำในปัจจุบันบางคนก็ทำกรรมในอดีตอดีตกรรมผลก็ให้ผลมาบางวิบากเป็นวิบากเมื่อทำไปแล้วตกนรกหมกไหมแต่วิบากตามมาอีกอันนี้ก็มีเพรา ะ, ะนั้นเอาไว้วิบากกรรมกรรมคือการกระทำไ้แล้วมันยังใช้ที่นี่ยังไม่หมดมันตกไปแล้วใช้ไปแล้วแต่วิบากยังตามมาอีกให้ผลอีก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 เพมีผู้หญิงเดินตามอย่างเพรา ะ, ะนั้นขอใหมนพระฉันที่บ้านของกระผมนะกระผมจะดูแลปฏิบัติท่านอาหงอาหารท่านไม่ต้องลําบากต่วนี้ต่อไปจากนั้นก็พระสงฆ์ทั้งหลายเลยดูซิจะกจะให้พระเจ้าแผดินมาไล่ออกไปกลับมาปราราอีกต่างหากพระองค์นี่มันเป็นอย่างไรจังนั้นก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าก่เพราะว่าพระเอา์นี้พรพระเจ้าปผ่ดินสนับสนุนท่านเอง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 ในการกระทำของผมไม่มีผมบริสุทธิ์ผมไม่เคยทำอย่างนั้นเลยอย่าไปคิดว่าผมนั่นนะผมบริสุทธิ์ไม่มีองค์นี้ก็ยืนยันองค์นั่นก็ปฏิเสธผลที่สุดเทวดาที่ไปแกล้งไปล้อเล่นมาอยู่บนทางมาอยู่ทางอากาศกระบอกว่าขอท่านทั้งหลายฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองเป็นคนล้ะเลเล่นกับพระองค์นั้นท่านไม่ได้ทาอะไรท่านเป็นผู้บริสุทธิ์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 มากน้อยยังไงแค่ไหนอันนี้คงจะตอนที่พุทธองค์บำเพ็ญทุกขกิริยาที่วปัญเจวคีตังหนหนีจุดนั้นแต่คิดว่าคงจะไม่หนีนานเท่าไหร่คงจะไม่ถึงปีมั้งนี่แหละอันนี้คือการบำเพ็ญของศิทฐะจนได้ตัดสรุ้ธรรมได้เป็นพระพุทธไตยจากเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเวลาการนั่งสมาธิ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 ได้พูดเรื่องกรรมคือการกระทำปัจจุบันนกรรมอดีตกรรมวิบากกรรมปัจจุบันนกรรมท่านยกเรื่องจุปธธปุท t h พระเจ้าแผ่นดินเมืองวิเทหะแล้วก็วิบา ก, กรรมในอดีตยกเ ร, รื่องพระที่เคยเป็นเทวดามาก่อนการแกล้งพระพิสุ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 ให้จิตสงบใ น, นในพรรษานี้นะอนอนที่นั่งสมาธิปรนมมือขึ้นระหวาง อ, อกไหวครูสก่อนพุทโทธรรมโมสังโคจากนั้นก็เอามือลงพระพเจ้าจะทำจิตให้สงบกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโทพุโทโธนะทำใจให้สบายสบายนะ